เกิดเป็นดังตรินตอนเรื่องส่วนตัวของดังตรินทุกคนมีความลับอย่างผมเองในสมัยหนึ่งก็เคยอยากให้รูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่มีคนรู้ เพราะเหตุคือผมพบว่าแฟนหนังสือมาแสดงความแปลกใจหรือชอบอุทานกันอยู่เรื่อยทํานองไม่นึกว่าคุณดังตรินจะเป็นอย่างเนี้ยได้ยินแรกๆก็เอกใจว่าอา้าวเอาละสิแลนึกว่าผมเป็นยังไงล่ะพอลองซักไซสืบไปสืบมาก็สรุปได้ความว่าคุณดังตรินควรจะไม่มีหูไม่มีตาไม่มีตัวตนอือหึใจร้ายกันจริง ไม่สรางเหมือนกันว่าอะไรในงานเขียนของผมทำให้คนอ่านทักท้วงว่าผมไม่ควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่อีกอย่างหนึง่งพอมีโอกาสพูดคุยกับคนอ่านจำนวนมากผมก็มักเจอคำถามคล้ายคลึงกันบ่อยๆเช่นที่เขียนมาเนี่ยรู้มาจากไหนหรือไม่ก็คุณดังตรินปฏิบัติธรรมด้วยหรือเปล่าแล้วที่ปฏิบัติอยู่นั้นทาอย่างไร ผมไตรกรองมาพักหนึ่งว่าจะช่วยไขข้อสงสัยเหล่านั้นได้อย่างไรในแบบที่ไม่ต้องตอบปากเปล่าบ่อยครั้งจนเกินไปจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้แก้ไม่ยากหรอกครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำนั่นคือเล่าความเป็นมาทั้งหมดเกี่ยวกับผมเองเพื่อให้เห็นเป็นปลอบๆว่าก่อนเกิดเป็นดังตรินซึ่งรู้เห็นและขีดเขียนอะไรต่อมีอะไรออกไปนั้นยืนพื้นอยู่บนประสบการณ์แบบไหน สำหรับคนที่อยากรู้ไปทุกอย่างผมขอเผยก่อนเลยณนะเวลาที่บรรทัดนี้หรือประโยคนี้เกิดขึ้นรอบตัวผมคือความเงียบเชียบของบ้านนักเขียนที่อยู่ก้นซอยข้างคลองจะมีก็เพียงเสียงฮัมแผวของคอมพิวเตอร์ด้านซ้ายมือและบางช่วงก็แถมเสียงพัดลมจากด้านขวามืออีกตัวซึ่งถ้าทําเป็นลืมๆไปเสียก็เหมือนไม่มีเสียงของพวกมันรบ ก, กวนสดประสาทแม้แต่น้อยเนื่องจากเป็นเสียงสม่ําเสมอที่หูคนเราจะชินไปเองในเวลาอันสั้น ฉะนั้นหากคุณกําลังฟังอยู่ในท่ามกลางความสงบผาสุขเราก็เหมือนได้คุยกันต่อหน้าภายใต้บรรยากาศเดียวกันแต่หากรอบด้านของคุณอึดกระทึกและเต็มไปด้วยเครื่องรบกวนสมาธิก็คงต้องนับว่าที่ยืนของใจแตกต่างกันอยู่บ้างมีหลายท่านกรุณาเล่าให้ผมฟังว่างานของผมบางชิ้น โดยเฉพาะที่ชักชวนให้ดื่มด่ำไปในความสงบเย็นขณะอ่านที่ทำงานกับขณะอยู่ที่บ้านและขณะอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาต่างกันราวกับเป็นคนละเรื่องจะรับรู้และเข้าใจกระจ่างก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำานวยใกล้เคียงกับป่าเขาลเนาวใครเสียก่อนผมรับรู้ความจริงข้อนี้จึงไม่ใช่ภาษาที่เย็นจนเกินไปแต่จะพยายามแทรกเรื่องน่าตื่นเต้นไว้บ้าง มิฉนั้นอาจต่อไม่ติดกับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ยังอยู่ในเมืองกันผมทราบดีว่าด้วยประโยคหนึ่งหนึ่งหลายคนเห็นด้วยขณะที่อีกหลายคนกลับคิดแยง้งปฏิกิริยาทางความคิดเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ห้ามกันไม่ได้แต่แต่คาดหมายว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆถ้าไม่ไปทางเดียวกันก็สวนทางกันอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง เอาละท้ายนี้ผมมีความลับจะมาบอกให้คุณทราบเรื่องหนึ่งคุณอาจไม่เคยอยากรู้มาก่อนแต่คงอยากฟังมากขึ้นนับแต่นี้สิ่งที่คุณอ่านไปทั้งหมดผมไม่ได้เป็นคนเขียนสิ่งที่ถูกอ่านไปทั้งหมดก็ไม่ใช่คุณที่เป็นคนอ่านที่แท้แล้วมีแต่การเขียนที่แท้แล้วมีแต่การอ่าน ผมรู้ได้อย่างไรสักแต่พูดตามพระพุทธเจ้าหรือประสบการณ์ตรงแบบไหนมาก็ขอให้นับบรรทัดนี้เป็นตัวตั้งและตอนต่อๆไปเป็นบทขยายความนะครับ